8. สหธรรมมิกกวัคหสหธรรมมิกะสิกขาบท 172. ภิกษุผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยชอบธรรมกลับกล่าวว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นวินัยทร ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังกล่าวต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสองวิเลคณะสิกขาบทภิกษุดูหมิ่นพระวินัยต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังดูหมิน่นต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อดูหมิ่นแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 3. โมหณะสิกขาบทภิกษุแซงทาผู้อื่นให้หลงต้องอาบัติสองอย่างคือ 1. เมื่อสงยังไม่ยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับทาผู้อื่นให้หลงต้องอาบัติทุกกฏ 2. เมื่อสงยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับแล้วทาผู้อื่นให้หลง ต้องอาบัตปาจิตตีี 4. ปหาระศิกขาบทพิกษุโกรธไม่พอใจทำร้ายพิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังทำร้ายต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทำร้ายแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้ 5. ตละสติกะศิกขาบท ภิกษุกโกรธไม่พอใจเงื้อหอกคือฝ่ามือให้ภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังเงื้อต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเงื้อแล้วต้องอาบัติปาจิตตีหกอมูลละกะสิกขาบทภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศตที่ไม่มีมูลต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังใส่ความต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใส่ความแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 7. สันจิตจะสิกขาบทภิกษุจงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังก่อต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อก่อแล้ว ต้องอาบัตปาจิตตีแปดอุปัชสุติสิกขาบทภิกษุยืนแอบฟังพวกภิกษุผู้บาดหมางทะเลาะวิวาทกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฟังต้องอาบัตทุกกฏ 2. ยืนอยู่ในที่ที่จะได้ยินต้องอาบัตปาจิตตีเก้ 9. กรร ม, มปติพาหณะสิกขาบทพิกษุให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติเตียนในภายหลังต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังติเตียนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อติเตียนแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 10. บฉันทะอัทัตวาคมณะสิกขาบท ภิกษุเมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสงฆ์ไม่ให้ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เมื่อกาลังจะละหัตถบาตรที่ชุมนุมสงฆ์ต้องอาบัตทุกกด 2. เมื่อละหัตถบาตรไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิบเทัพพระสิกขาบทภิกษุ ร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังติเตียนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อติเตียนแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 12. ปรินามณสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงไปเพื่อบุคคลต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังน้อมไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อน้อมไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสหธรรมมิกวัครที่8จบ